วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปไม่หยุดยั้งเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลผ่านไป และสิ่งที่ลอยอยู่บนกระแสน้ำก็จะถูกพัดพาลอยไปกับกระแสน้ำไปแบบไม่กลับเวลานี้เป็นเหมือนกับงูยักษ์ที่จะค่อยๆขมือกินสัพสัตวสัพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ให้หมดไปรวมทั้งพระพุทธศาสนา ที่พวกเราเคารพนับถือศรัทธาเรื่องใสก็จะถูกเวลาค่อยๆกลืนกินไปหมดพอไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่มีแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบให้ไปสู่ที่สุคติไปสู่ที่ มุดพ้นจากความทุกข์คือไปสู่มรรคผลนิพพานช่วงระยะเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นช่วงยุคมืดทางด้านจิตวิญญาณดวงวิญญาณหรือดวงจิตใจของสัตว์โลกก็จะถูกความมืดบอดของโมหะอวิชชาครอบงำ จิตใจและผลักดันหรือฉุดล่างให้สดโลองนั้นหลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจนกว่าจะมีแสงสว่างของพระพุทธศาสนาอันใหม่ที่จะมาปรากฏในยุคต่อไป ซึ่งก็จะเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นกลับเป็นกันถ้าผู้ภาษาของเราก็หลายแสนล้านปีด้วยกันกว่าจะมีพระพุทธศาสนาอันใหม่องค์ใหม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตารัสสรุแล้วนำามาแสงสว่างแห่งธรรมมาเผยแผ่ ให้แก่สา์โลกที่หลงติดข้องอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในกายภพตอนนี้เรายังมีพระพุทธศาสนาอยู่เราจึงไม่ควรประมาทกันเราควรที่จะอาศัยแสงสว่างแห่งธรรม ของพระพุทธศาสนานำพาชีวิตของพวกเราจิตใจของพวกเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงต้องคอยเตือนหรือถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เราเราากำลังเดินออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด หรือเรากำลังเดินอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะชีวิตของเราการกระทำของเรานี้สามารถเป็นไปได้สองทิศทางด้วยกันทิศทางหนึ่งก็เดินเวียนวดเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกทางหนึ่งก็ การเดินออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเดินให้เวียนติดอยู่วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไรก็การแสวงหาโลกประธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้สี่ประการคือการแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดพาให้เราเ ว, เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการสแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขนี้จะไม่นำจะไม่ทําให้จิตใจที่ได้เสพ ลาบยศสารเสริญสุขนี้มีความอิ่มความพอจะมีแต่เพิ่มความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจผู้ที่มีความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขก็จะกลับมาเกิดใหม่ กลับมาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพร์ในรอบใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายที่ไม่เที่ยงร่างกายที่ทุกครั้งที่มีการเกิดจะต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตาย และมีการพัดภาคจากร่างกายของผู้อื่นพัดภาคจากบุคคลที่เรารักเราชอบและต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาที่จะพบจะเห็นแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิตเพราะโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน โลงนี้เป็นโลกที่มีทั้งส่วนที่ดีและมีส่วนที่ไม่ดีมีส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อมมีเกิดแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญเวลาเกิดก็มีความสุขกันดีใจกันพอเวลาเสื่อมเวลาดับก็เกิดความเศรา้าโศกเสียใจกันนี่แหละคือความทุกข์ ของการที่มาเกิดของการที่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบย ศ, ศรสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอได้ได้เท่าไหร่ก็อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วา ได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้เป็นได้ร้อยก็อยากจะเป็นนายพันได้เป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลได้ได้เป็นสสก็อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะได้เป็นไปนาน นี่แหละคือตัวที่มาดูดให้จิตใจของสัตว์โลกนี้ติดอยู่ในกับของวัตตะจักรอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ที่สัตว์โลกได้พบปะนี้ก็คือความเศร้าโศกเสียใจนี้ที่ มีการหลั่งน้ำตาทุกครั้งที่เกิดความเศร้าโศกเสียใจน้ำตาที่สั่นเลกได้หลั่งในการเวียนว่ายตายเกิดมานี้มีเป็นจำนวนมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะจำนวนของภพชาติที่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันมีไม่มีวันมันนับไม่ถ้วน และไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามาเจอแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นฉันจะมีโอกาสที่จะยุติการเย็นว่าตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้จากทาง ที่จะพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ได้ส่งค้นพบทางที่จะพาให้จิตใจนั้นได้ออกจากออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครมีความรู้ความสามารถพอ ที่จะค้นพบทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูแล้วหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูแล้วได้ทรงหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะได้นำเอาความรู้ที่ได้พาให้จิตใจของท่านหลุดออกจากกองทุกนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ใดถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาก็จะน้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็จะพาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติตามคำสอนได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ พบพระพุทธศาสนารือได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความยิน ด, ดีที่จะน้อมนำเอาธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าออมาปฏิบัติก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหมือนกับ ไก่ที่ได้พลอยไก่นี้จะหากินด้วยการคุ้ยเขีย่ยหาอาราร ห, หาตัวนอนหาตัวไส้เดือนมาเป็นอาหารรับประทานคุ้ยเขี่ยดิน <Yeah. S 1> เวลาที่คุ้ยไปเขี่ยไปเจอเพชรพลอยนี้จะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปเพราะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรพลอย เพราะไม่สามารถที่จะกินมันได้จะกินได้แต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเท่านั้นนี่ก็คือลักษณะของสัตว์โลกหรือของมนุษย์ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เปรียบเหมือนเพชรพลอยเพชรดินจินดาอันล้าค่าที่จะให้สิ่งที่ล้าค่าต่อผู้ที่ได้ได้ครอบครองพระพุทธศาสนา ก็คือได้วิมุตติได้การหลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตใจซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจหลุดพน้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ถึงแม้จะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่สามารถทำให้ความทุก ของผู้ที่มีเงินทางกองเท่าภูเขานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนากลับไปเห็นคุณค่าของราบยศรเสริญสุขก็เป็นเหมือนกับไก่เลยที่ได้ปลอยไก่นี้จะไม่เห็นคุณค่าของเพชรมินจินดา แต่จะเห็นคุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนคนที่เป็นเหมือนไก่ก็เป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับไปเห็นคุณค่าของลาบยศสรรสริญสุขก็เลยทุ่มเทเวลาให้กับการใยแสวงหาลาบยศสรรสริญสุขแทนที่จะไปหามรรคผลนิพพานแทนที่จะไปหาวิบูติ การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิด<ม>นี่แหละคือสิ่งที่<ม>ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้<ม>ควร น, นมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง<ม>อย่าด้อยค่าพระพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่ององมงาย<ม><ม>อย่าไปคิดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เป็นสิ่งที่ม า, ามาเกาะกินอาศัยชาวบ้านอันนี้จะเป็นความเห็นที่ผิดจะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนานต้องพยายามศึกษาแล้วก็พิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นว่าระหว่างราบยศสสรสุขนี้กับการที่ ได้สิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราก็คือวิมุติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ า, ายตายเกิดนี้อย่างไหนจะมีความสำคัญต่อกันยังอยากจะอยู่ในกองทุกข์อยู่หรืออยากจะออกจากกองทุกข์กันยังอยากจะทุกข์ยังอยากจะสร้าโศกเสียใจยังอยากจะเครียดยังอยากจะวุ่นวายใจ หรืออยากจะได้ความสงบความเย็นความสบายของใจต้องต้องวิต้องพิ จ, จารณาต้องวิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนจะดีกันกันระหว่างความทุกข์กับความหลุดพ้นจากความทุกข์นะเวลาเกิดความทุกข์แล้วรู้สึกอย่างไรนะเวลาไม่มีความทุกข์แล้วรู้สึกอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะคิดกันนะให ให้เราเห็นคุณค่าของของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยทำให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบถึงแม้ว่าจะไม่มีลาบยศสารสญสุขแต่จิตใจนี้สามารถมีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศ ส, สรรสญสุข ถ้าไม่ดีกว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่สละราชสมบัติพระพุทธเจ้านี้เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่บนกองเกิดอยู่บนกองเงินกองทองกองลาบยศสารเสริญสุขมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของพระราชามหากษัตย์เช่นมีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวาร คอยรับใช้คอยคอยหาความสุขต่างๆมามามาให้เศษมาให้สัมผัสแต่พระพุทธเจ้าเน้นเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เห็นว่าความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่จีรังถาวร มันเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเพราะว่าร่างกายที่เป็นผู้ที่มาเสพหรือมาหาลาภยศสารเสริญสุขนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้นแน่นอนร่นางกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปในที่สุด และเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บหรือเวลาที่ตายนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเสพความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆได้เลยถ้าต้องอยู่บนกองทุกข์แห่งความเศร้าโศกเสียใจอยู่บนกองทุกข์แห่งความซึมเศร้าพอราทรงเห็นว่า ความสุขทางราบยศสารเสิญสุขนี้มันเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรและมันต้องอาศัยร่างกายที่ไม่จีรังถาวรเช่นเดียวกันร่างกายนี้เมื่อเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาจะตายนี้จะไม่มีความสามารถที่จะเอาความสุขของราบยศสารเสริญ มาดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเห็นในขณะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เลยตัดสินใจออกบวช เพราะเชื่อว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะพาให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้องก็เลยทรงตัดสินพระทยัยสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชมุ่งไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกับบรรดาครูบาอาจารย์ ต่างๆจนสามารถเข้าถึงระดับสมาธิระดับฌานได้สามารถดับความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายได้เป็นดับแบบชั่วครั้งชั่วคราวคือทุกครั้งถ้ามีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวกับเรื่องการพัดภาคจากกัน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ได้เสพ ร, ราบยศสารเสรินสุข mm hmm. ก็ใช้อาศัยการเข้าสมาธิ mm hmm. ทำใจให้สงบแล้วความทุกข์ก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบเข้ามาแทนที่ mm hmm. แต่ก็สามารถทําได้ช่วงขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้น เวลาออกจากสมาธิมานี้ยังไม่ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะเวลาออกมาแล้วมาเห็นสภาพของร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาให ม, <S <S ม่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าวิธีจะทวิธีจะทำดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ จะทําให้มันหมดไปได้อย่างไรคือให้มันหมดแบบถาวนโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสามารถอยู่อยู่ข้างนอกสมาธิแล้วก็สามารถหยุดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้ได้ไม่มีใครรู้คูบาอาจารย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปศึกษาก็ไม่มีใครรู้ ว่าวิธีการดับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี้ทำอย่างไรเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องท่งคนควาหาวิธีด้วยพระองค์เองด้วยการลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้พบสัจธรรมพบเหตุที่พาให้จิตใจต้องทุกข์เวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิ เหตุที่ทําให้ใจต้องทุกข์นั้นก็คือตัณหาความอยากนี่ความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตาย<ม>ความอยากไม่พัดภาคจากลาบยศสารเสริญสุข<ม>ความอยากเสดลาบยศสารเสริญสุขความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้จิตใจต้องทุกข์เวลาที่ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้ แล้วถ้าสามารถหยุดความอยากนี้ได้เมื่อความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็ต้องหายไปแต่จะทํำยังไงถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ให้สมาธิมันก็หยุดได้ชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิจิตสงบนิ่งความอยากก็หยุดทํางานชั่วคราวความทุกข์ก็หายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดก็กลับคืนมาความอยากที่จะอยู่ไปนา น, านความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะโผลอ่อขึ้นมาพอเกิดความอยากเหล่านี้แล้วพอไปเจอความจริงของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากเหล่านี้ก็ทรงพบว่าเหตุก็คือความไม่เข้าใจธรรมชาติ <c oughs> ความเขไม่เข้าใจหรือไม่เห็น <c oughs> ความจริงของ <c oughs> สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ <c oughs> <c oughs> คือไม่เห็นธรรมชาติของลาบยศสารเสนของรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์นี้ว่ามันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของไม่เทียงไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามสิ่งใดมีการเกิดขึ้น <c oughs> สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ว่าจะเป็นตาหูจ ม, มูกลิ้นกายที่เป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังถาวรเป็นของที่มี <c oughs> ที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมชาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสามารถไปห้ามไปสั่งมันไม่ให้เสื่อมได้ไม่ไม่สามารถยับยั้งความเสื่อมไม่สามารถหยุดความความสิ้นสุดหยุดการดับของสิ่งต่างๆได้ ถ้าเกิดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆนี้อยู่ไปนานๆไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับก็จะไม่ได้ดังใจต้องการพอไม่ได้สิ่งที่อยากต้องการใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเห้นพอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจที่ไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะให้ความสุขไปอย่างตลอดเวลา ไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดลงต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครสามารถที่จะมาครอบครองและเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของตนเองไปได้ตลอด<ม>ได้มาแล้วเป็นสมบัติได้เพียงชั่วคราว วันใดวันหนึ่งก็ต้องท้องสูญเสียสมบัตินั้นไปเวลาที่เกิดการสูญเสียสมบัติต่างๆสิ่งของต่างๆที่ได้มาครอบครองไปความทุกข์ก็จะตามมาความเศร้าโศกเสียใจก็ตามมานี่แหละคือปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นคุณลักษณะของสปปรรพสิ่งทั้งหลายสาประการด้วยกันว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนไปหรือม่เกิดการสิ้นสุดลงและมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมไปบังคับให้มันเที่ยงได้ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นอัตตามันไม่ใช่เป็นของใครคนคนใดคนหนึ่ง เช่นร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เราจะคิดว่าเป็นของเราแต่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ตลอดเวลาเราอาจจะควบคุมมันได้บางส่วนบางเวลาแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้นี้มันก็มีอยู่เช่นความแก่ความเจ็บและความตายของร่างกายไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ไปห้ามมันได้มันเป็นเป็นป ร, ปนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ เหมือนกับดินฟ้ากะที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับดินฟ้าอากาได้ฝนจะตกแดดจะออน้ําจะท่วมไฟจะไหม้แผ่นดินจะไหว <c oughs> พายุจะเข้าไม่มีใครไปห้ามมันได้เมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็จะเกิดแล้วเมื่อมันเกิดแล้วพอเหตุปัจจัยที่ให้มันเกิดมันหมดไป มันก็จะหายไปของมันเอง <c oughs> <c oughs> เราจึงไม่ค่อยทุกกับธรรมชาติเท่าไรสิ่งที่เป็นธรรมชาติเวลาจะไม่ค่อยทุกกับพายุพายุกับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องหัดอยู่กับเขาไปฝนตกก็หัดอยู่กับเขาไปแดดด อ, อกก็อยู่กับเขาไปโดยที่ไม่มีไม่ทุกกับแดดกับฝนเพราะว่า เราไม่มีความอยากที่จะไปห้ามหรือไปสั่งผลดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความอยากของเรานั่นเองแต่ทำไมกับลาบยศสราเสริสนุขกับร่างกายของเรานี้เราทำไมกับไปอยากกับไปคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมบังคับมันได้มันก็เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศนี่เองแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดรอบคอบที่จะเปรียบเทียบ ลาบยศเสริญสุขและร่างกายของเราว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดานี่อันนี้แหละคือปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาทรงวิเคราะห์ทรงเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากที่จะไปเจอทุกขงังก็อย่าไปยุ่งอย่าไป อย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกของมนัตตาปล่<ม>อยให้เขาอยู่ตามลําพังของเขา<ม>เพราะใจนี้สามารถอยู่ตามลําพังของใจได้ใจที่ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้<ม>เป็นใจที่ความจริงสามารถอยู่ตามลําพังและมีความสุขของตนเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปเพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เนื่องจากโมหะอวิชชาความหลงความมุดบอดของใจทําให้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของใจและไม่เข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจหลงไปคิดว่าจะสามารถมอบความสุขให้กับใจได้นั้นเป็นเป็นสิ่งที่ <c oughs> ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่จีิรังถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องสิ้นสุดลงความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็จะหมดไปเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจ <c oughs> แต่ถ้ารู้จักปล่อยวางรู้จักตัดความอยากพอเห็นด้วยปัญญาว่า การไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นการหาความสุขมันเป็นการหาความทุกข์ความสุขที่แท้จริงนี้เกิดจากการที่ไม่มีความอยากต่างหาเวลาใดที่ใจเราไม่มีความอยากนั้นเวลานั้นใจเราจะสุขจะเย็นจะสบายมไม่รู้สึกมีความทุกข์กับอะไร<ม>แต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี้ความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันที อยากกับสิ่งนั้นก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้ก็ต้องทุกข์กับสิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ไปอยากกับเขาเขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะดีจะช่วยอย่างไรเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้นี่แหละคือปัญหาก็คือต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากแล้วต้นเหตุของความอยากก็คือความหลง ความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมันให้แต่ความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็จะสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดลงความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่และความสุขที่แท้จริงของใจก็คือความสุขของใจที่ไม่มีความอยากนั่นเองเวลาใดที่ใจไม่มีความอยาก เวลานั้นใจจะเย็นใจจะสบายแต่พอเวลาใดเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจก็จะต้องวุ่นวายขึ้นมาทันทีอนนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความหลงแต่เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงคือหลงไปเห็นว่าสิ่งที่อยากได้จะให้ความสุข แต่ความจริงแล้วสิ่งที่อยากได้มาให้ความสุขนั้นมันเป็นของชั่วคราวมันจะให้ความทุกข์ในภายหลังเวลาที่มันสิ้นสุดลงและวิธีการที่จะทำให้ใจนี้สามารถมองเห็นสัจธรรมความจริงเหล่านี้ได้ตลอดเวลาก็ต้องมีการปฏิบัติต้องมีการสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมา และสร้างศีลและสร้างทานขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ใจนี้มีปัญญาความรู้ตลอดเวลาปัญญาจะเกิดขึ้นได้นี้ต้องอาศัยกาลังของสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสนับสนุนของศีลศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการทำบุญทำทานนี่คือ ทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางที่จะนำไปสู่การดับการยุดการหยุดความอยากการเห็นด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้คือทางออกทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้านี้สามารถ บรร ล, ลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่การที่จะทำให้เกิดปัญญาได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนและการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุน และการที่จะมีศีลนั้นก็จะต้องมีการให้ทานเป็นการสนับสนุ น, น, นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็คือการปฏิบัติทานศีลสมาธิและปัญญานั่นเองหรือทานศีลภาวนาถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าจะต้องการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องพยายามปฏิบัติทานศีลภาวนา ให้ครบให้สมบูรณ์ให้ได้เพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ครบได้สมบูรณ์แล้ว<อ>ก็จะเกิดปัญญาที่จะสามารถมองเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ที่จะสามารถนำไปหยุดความอยากต่างๆได้ให้หมดสิ้นไปจากใจพอความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบปราศจากความทุกข์ ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากได้ลาบยศเสริญสุขอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขนี่แหละคือทางที่จะพาเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือทางแห่งทานศีลและภาวนาส่วนทางที่จะนำให้เรา อยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทางสู่การหาลาภยศรเสริญสุขนี่ทางสู่โลกธรรมเป็นทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางสู่ทานศีลภาวนาเป็นทางที่จะนําพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. นั้นเราต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําทานรักษาศีลภาวนากันหรือว่าเรากําลังไปหาราบยศสนเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันอันนี้แหละจะเป็นตัววัดเป็นเหมือนกับ G P S ของชีวิตของพวกเราสมัยนี้เรามีเครื่อง G P S นาทางเวลาที่เราจะเดินทางไปสถานที่ที่เราไม่เคยไป เราก็เปิด G P S แล้วก็ดูว่าทางที่เราจะต้องไปไปอย่างไรแล้วเวลาที่เราออกนอกลูก่นอกทางมันก็จะเตือนเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางสู่จุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไปเราก็ต้องติด G P S ไว้ในใจของเรา G P S ภายในใจของเราก็คือเราต้องหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันเลย สิ่งแรกที่เราควรจะถามตัวเราเองตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็คือวันเวลาผ่านไปผ่านไปหมดไปอีกวันหนึ่งแล้วเริ่มต้นวันใหม่แล้วเรากำลังจะไปทำอะไรกัน <S <S 1> <S 1> เรากำลังจะไปหาราภยศเสริญสุขหรือว่าเรากำลังจะไปทำทานรักษาสิ่ภาวนา <S <S 1> <S 1> เพราะว่าการกระทำสองสอ ง, สองชนิดนี้ไปกันคนละทิศคนละทาง เหมือนกับไปทิศเหนือกับทิศใต้ถ้าไปทางทานศียภาวนาก็เหมือนไปทางทิศเหนือไปสู่สุขติไปสู่การดุดพ้นไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าเราไปทางราบยศสารเสริญสุขเราก็กำลังไปทางใต้ไปสู่ทางเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เช็ค GPS เราจะถูกความหลงหลอกเราให้เราหลงกับการหาความสุขจากราบยศสารเสริญกัน เพราะว่ามันก็เพื่อเทินดีเวลาหาเงินหาทองเวลาได้เงินได้ทองมาก็ดีอกดีใจได้เอาเงินทองไปซื้อไปใช้ไปทำอะไรต่างๆออแล้วเวลาที่ได้ยศได้ตำแหน่งกันก็ดีอกดีใจมีอำนาจมีหน้ามีตามีเกียรติยศ เ, เวลาได้รางวัลต่างๆก็มีคนยกย่องสรรเสริญ เวลาที่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่เราต้องคำนึงต้องคอยหยิกตัวเราเองว่าของเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวมันจะมีการหยุดชะงักได้เพราะมีเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ที่อาจจะสามารถทำให้การแสวงหาราบยศเสริญสุขของเหล่านี้ไม่สามารถเป็นไปตามที่เราเคยหาได้ เช่นช่วงที่ปีโควิดมีโรคระบาดช่วงนั้นการแสวงหา ร, ราบยศสารเสื่สุขนี้ก็ถูกถูกสกัดไว้หยุดชะ ง, งักไปชั่วคราวคนที่โดนพิษของโควิดนี้ก็ถึงกับล้มละลายไปก็มีอันนี้แหละคือความไม่แน่นอนของการไปหา ร, ราบยศสรรเสอสุข มันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจอกับสภาพที่มันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนไปแล้วร้ายแรงกว่านั้นก็คือมันจะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆ เ, เพราะความอยากของเราความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสรนี้มันไม่มีวันหมดได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมีอยากมีแต่อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลาที่ไม่ได้หา มันก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความนำคาญใจอยู่เฉยเฉยไม่ได้ถ้าถ้าหาไม่ได้นานๆก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้เช่นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะไปหาราบยศสารสนุสุขได้ก็จะเกิดอาการซึมเศร้าได้และอาจจะเกิดความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้นี่คือความทุกข์ที่แฝงอยู่จากการที่ไปแสวงหา ลาบยศเสริญสุขกันเราต้องศึกษาเราต้องมองเห็นโทษของลาบยศเสริญสุขว่ามันไม่ใช่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่ด้วยถ้าเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่มองเราจะไม่สามารถมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนเล้นอยู่เราต้องเอาบทเรียนของผู้อื่นบทเรียนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ที่มีการแปกปวนมีการเจริญมีการเสื่อมเอามาคอยเตือนใจสอนใจเราว่าอย่าไปหวังพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะมันพึ่งไม่ได้มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดไปไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเกิดการสะดุดขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะคอยล้ลึก เตือนใจเราถามใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังจะไปทิศทางไหนกันเรากําลังจะไปทิศทางของการเวียนว่ายตายเกิดสู่กองทุกข์หรือว่าเราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไปทางทางทางศีลภาวนาทําบุญทําทานถ้าเรามีกําลังถ้าเราจะเอาเงินทองไป ใช้กับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ก็เอามาทาบุญทาทานหน้าที่ของทานก็คือให้เราระ ง, งับระ ง, งับการใช้เงินไปในทางที่ผิดในทางที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจการใช้เงินไปกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเหมือนกับเป็นการไปซื้อยาเสพติดมาเสพเสพแล้วมันก็จะติดก็จะต้องคอยซื้ออยู่เรื่อย และเวลาที่ไม่มีเงินทองเงินทองขาดไม่สามารถที่จะซื้อรูปเสียงกินลสมาเสดได้มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้เงินทองด้วยการเอาเงินทองนี้มาทำบุญทำทานจะดีกว่าเพราะว่าการทำบุญทำทานก็ให้ความสุขน่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิเลส ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิ่นรถเป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอมันหมดไปมันก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทําทานนี้มันจะติดฝังอยู่ในใจของเราจะให้ความสุขใจของเราไปเรื่อยๆจะทำให้เราไม่รู้สึก อ, อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายจะรู้สึกว่ามีความอิ่มใจสุขใจอันนี้คือหน้าที่ของทานคือ เปลี่ยนวิธีการใช้เงินทองจากการใช้เงินทองไปในทางที่ผิดให้มาใช้กับในเงินทองในทางที่ถูกก็คือเอาเงินทองมาทําบุญ ท, ทาําทานจะทําบุญกับใครก็ได้ทําทานกับใครก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําบุญกับพระศาสนากับพระพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวทํากับใครที่เราอยากจะทําที่เราเห็นว่าจะทําให้เขาได้ความสุขจากการ การเสียสละแบ่งปันของเราเราก็ทําไปได้จะทำเพราะเราอยากจะตอบแทนบุญคุณเช่นบิดามารดาปูยาตายายกูบาจารย์ก็ทําได้ทำแล้วมันจะทําให้เราเกิดมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากการเสกลูกเสียงกลื่นรดคามเสกลูกเสียงกลื่นลดนี้มันเหมือนควันไฟ ได้มาแล้วพอเสร็จเสร็จแล้วมันก็จางหายไปแต่ความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานนี้มันจะฝังอยู่ในใจและมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจก็จะไปเป็นเป็นเทพไปอยู่บนสวรรค์เพราะบุญนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจมีความสุขเมื่อเวลาที่ไม่มีร่างกายจิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณ ก็จะถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าเทพเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญเอาเงินไปเสพหมดจิตใจก็จะหิวโหยเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรกไปเพราะว่าไม่มีบุญไม่มีบนสะสมไว้อยู่ในใจก็จะเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไปอันนี้ก็เรื่องของการทำบุญทำทานเรา ถ้าเรายังมีเงินมีทองเรายังใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าไปเอาเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่ตางๆไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เราเห็นแล้วชอบอยากได้ซื้อมาแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นความสุขประเดี๋ยวปดา พอซื้อมาแล้วมันก็หายไปละพอไปเห็นของใหม่ในร้านก็อยากจะซื้ออีกซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์่ังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้เงินหาความสุขถ้าเรายังใช้เงินหาความสุขอยู่ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานทำบุญกับใครก็ได้ที่เราชอบที่เราเห็นแล้วเราทำแล้วเรามีความสุข บางคนก็มีความสุขกับการทำบุญกับสุนัขเนี่ยสุนัขจรจัดเห็นสุนัขเขาไม่มีอ า, อาหารก็หาอาหารมาให้สุนัข ก, กินเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปรักษาไม่มีที่อยู่อาศัยก็พาไปหาที่อยู่อาศัยให้อะไรทำนางนี้หรือบางท่านก็ชอบปล่อยนื้ปล่อยปลาถ่าย่ายชีวิตวัวควายอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานเหมือนกัน ทำแล้วให้มีความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหละเรียกว่าบุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่จะกลายเป็นสวรรค์ต่อไปที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่สวรรค์ต่อไปเมื่อเรามีความสุขใจแล้วจากการที่เราได้ช่วยเหลือได้สงเคราะห์ผู้นี้นั้นก็จะทําให้เรานี้รักษาศีลได้ง่ายเพราะคนที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้หลน ชอบช่วยเหลือผู้นี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้ก็จะรักษาศีลได้ง่ายจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีจะไม่พูดปดจะไม่เสพสุรายาเมาเพราะการเสพสุรายาเมานี้จะทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่ถ้ามีความเมตตาจากการทาบุญทาทานแล้วก็จะ รู้ว่าการไปเบียดเบียนผู้นี้ไม่ดีเพราะว่ามันทําให้ใจทุกข์ไม่ได้ทาให้ใจสุขเวลาที่เราทําบาปแต่ละครั้งนี้ใจจะทุกข์สังเกต ด, ดูเวลาเราทําบาปแล้วใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการทําบุญกับทาบาปแล้วใจเรารู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือผลบุญผลบาปมันเกิดขึ้นในใจของเรา มันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเราทำบุญแล้วเราจะได้ร่ำรวย น, นี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการการทำบุญนี้จะทำให้เราสุขให้เราเจริญใจเรามีความสุขมากขึ้นใ จ, ใจเราสูงขึ้นจเจริญขึ้นสูงขึ้นเป็นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อไปหลังจากที่เราทำทานก็เราจะรักษาสิ่งเพราะว่าเราจะได้ ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปแล้วก็จะยุติความอยากที่จะให้เราลดลดความอยากลงไปอยากจะทําอะไรบางครั้งไม่ได้ยังใจอยากเราด้วยเราอาจจะต้องทําบาปแล้วก็เราก็จะทําแต่ถ้าเรามีศีลเราก็จะยับยั้งความอยากได้ว่าทําไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําบาปแล้วก็จะทําให้ใจนี้เสื่อมต่ําลงจะต้อง เวลาตายไปจะไม่ได้ไปสวรรค์จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจะต้องไปใช้บาปในอบายจะไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือวิถ่าไปได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสรรธธัตว์ในราชาถ้าเราไม่อยากจะได้ผลจากการกระทำบาปเราก็ต้องพยายามรักษาศีลให้ดีแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วนี่ถ้าเราอยากที่จะ ปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปก็คือสมาธิมันก็ไม่ยากเพราะว่าการจะฝึกสมาธิด้านี้เราจะต้องมีรักษาศีนแปดเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีศีนแปดนี้เราจะไม่มีเวลาพอที่จะเอามาให้กับการปฏิบัติสมาธินั่นเองเพราะว่าถ้าเรายังรักษาแค่ศีลห้าเรายังไปเที่ยวได้ไปกินไป ดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมาภาวนาเพือมฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราอยากจะฝึกสมาธิทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากแบบชั่วคราวเพื่อให้เกิดความสุขใจที่เกิดจากการหยุดความอยากเราก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดถ้าเราถือศีลห้าได้แล้ว ซือสีนอีกสามข้อก็จะไม่ยากสีข้อหก็คือไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วให้ลดปริมาณการรับประทานอาหารลงเพราะว่ามันจะทำให้ม่วงนอนถ้ารับประทานมากเกินไปเวลานั่งสมาธิจะนั่งสับประงกนั้นเราต้องอย่า ก, กินอาหารมากกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอไม่ตายกินแค่มือสองมือก็พอ ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>แล้วเราก็งดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปดูหมอรับพบันเทิงไม่ไปกินไปดื่มอะไรที่ไม่ใช่เวลาของของการกินการดื่ ม, มแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาที่ใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการฝึกสมาธิจะดีกว่า แล้วก็ข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการนอนบนที่นอนที่ไม่สบายคือนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาจะพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะลุกขึ้นมาต่อเพราะนอนแล้วมันไม่สบาย <Okay. S 1> แต่ถ้านอนบนเตียงเตียงสําราญที่มีฟูกหนาๆนอนแล้วสบายนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุก พรามันสบายติดกับความสุขจากการนอนก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงทำให้เสียเวลามีค่าที่จะมาใช้กับการฝึกสมาธินั่นเอง น, อ น, นี้ก็คือข้อสินแปลสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาฝึกสมาธิเพื่อมาหยุดความอยากเพื่อทาละเพื่อหยุดความทุกข์ด้วยการใช้การฝึกสมาธิการจะทำจิตให้สงบให้นิ่งก็ต้องมีสติต้องฝึกสติก่อนตั้ง ต้องหยุดความคิดของตอนเองให้ได้ด้วยการใช้สติสตินี้เกิดขึ้นจากการที่เราใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆนี้ใจเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดอยากนั่ น, อ ย, น, นอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ได้ <c oughs> เพราะมันจะต้องมาคอยอยู่แต่พุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธอยากจะใช้บทสวดมวนต์ไปก็ได้สวดมวนต์ไปภในใจอิติปิโสภักวาไป <c oughs> หรือว่าถ้าเราไม่อยากจะสวดเราก็คอยเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ปลกใจให้ให้ติดอยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถฝึกสติแบบนี้ได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะสามารถทำใจให้หยุดคิดได้อย่างเต็มที่ทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่เรา ได้รับจากาลาภยศเสรเสรสุขแล้วมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะตัดความอยากในการห า, ราลาภยศเสรเสรสุขแล้วยิ่งถ้าเราจเจริญปัญญาพิจารณาว่ า, าลาภยศเสรเสรสุขนี้มันเป็นไตลรักตาหูจหมูกนิ้นกายก็เป็นตายรักวันใดวันหนึ่งไม่ช้ากเ็เร็วเราก็จะไม่สามารถที่จะาหาความสุขจากาลาภยศเสรเสรสุขได้ เราก็ตัดความอยากเหล่านี้ไ ป, ไ ม, ไ, ปไม่ต้องไปเพิ่งลูกเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปเพื่งราบยศรสรรเสริญพอเราตัดความอยากไปได้ใจก็อยู่เป็นปกติสุขใจก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ราบยศรสรรเสริญสุขเสื่อมไปหรือหมดไปหรือเวลาที่ร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้ราบยศรสรรเสริญสุขเป็นเครื่องมือหาคาสุขอยู่ต่อไป ใช้ใจใช้การไม่มีความอยากการตัดความอยากให้หมดไปจากใจด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากของเลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่มีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะพาให้จิตใจเรานั้นได้ดูดพ้นจากความทุกข์ แล้เมื่อใจเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่อยากได้ราบยศเสรเสรสุขเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรายังมีความอยากได้ราบยศสรเสรสุขอยู่เราก็ต้องมีร่างกายเราถึงจะสามารถหามาหาราบยศสรเสร ส, สุมาเสพได้แต่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าราบยศเสรเสร ส, สุนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข เราก็ตัดมันตัดความอยากได้ไปพอเราตัดความอยากหยุดความอยากไปไม่มีความอยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมามีร่างกายต่อไปเมื่อเมื่อไม่มีความจําเป็นจะกลับมาก็ไม่มีการมาเกิดเมื่อไม่มีการมาเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายก็จะยุติเรื่องของความทุกข์ไปอย่างถาวรอย่างสมบูรณ์เพราะว่าทุกนี้ย่อมมี ย่อมไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีความอยากตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ะการเกิดก็เกิดจากการมีความอยากอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้เราก็หยุดความอยากของเรา พอเราหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นสุดของความทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่การเดินตามทางที่พุะเจ้าได้ส่งดาเนินและสอนให้พวกเราด ำ, ดำเนินกันก็คือทางแห่งทานศีลภาวนา ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะออกจากกองทุกข์ไม่อยากจะติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหมั่นฐานตัวเราเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังไปหารากยศสารเสริญสุขหรือเรากําลังไปหาทานศีลภาวนาถ้าเราไปหารากยศสารเสริญสุขเราก็ยังไปเวียนว่ายตายเกิด ต, ต่อไป ถ้าเราไปหาทางศีลภาวานาเราก็จะได้ออกจากกองชกแห่งการไว้การ <S an> แห่งการเวียนไ่ว้ตายเกิดเรื่องชีวิตของเราก็มีทางนี้มีทางเลือกอยู่สองทางทางแห่งความทุกข์และทางแห่งความสุขถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัู้้ <S an> พวกเราจะไม่รู้ทางแห่งความสุขราไม่รู้ว่าทางแห่งทางศีลภาวานานี้เป็นทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นได้ ก็เราก็จะคิดว่าทางแห่งความสุขของโมทเราก็คือการไปหาราบยศเสริญสุขมาเสดนั่นเองจะหารู้ไหมว่ามันเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวมีใครไม่ทุกข์บ้างคนที่มาเกิดในโลกนี้คนที่หาราบยศเสริญสุขมีคนไหนบอกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์จากราบยศเสริญสุขได้หรือไม่ไม่มีใครหลุดพ้นได้แทนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีก เพราะว่ามีอะไรก็จะต้องทุกกับสิ่งที่มีมีทรัพย์ก็ต้องทุกกับทรัพย์มียศก็ต้องทุกกับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกกับสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องทุกกับมันทุกเพราะว่ามันจะกลัวมันเสือ่อมกลัวมันหมดนั่นเองความกลัวมันเสือ่อมกลัวมันหมดนี่ก็คือความทุกดีๆนี่นี่แหละนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะราโสยธามะนีโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโววินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีตาโยโกภวา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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ406ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์286 YouTube ด v Channel 62วิทยุออนไลน์9คลับ h ฮ u s ์6นาคุด113รวมทั้งหมด882ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยจ้ค่ะ คำถามจากผู้รับฟังน้ากุฎค่ะเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นรู้สึกละอายในบาป ท, ที่เคยกระทำไปเราควรทำอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วว่าไม่ควรทำอีกไม่ควรจะคิดถึงความผิดพลาดนั้นอีกต่อไปหรือไม่คะก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าเราไม่ควรจะทำเพราะทำแล้วมันก็เกิดโทษกับตัวเราเองเพราะว่าวิบากมันที่เราทามันยังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ เวลาเกิดมันจะเกิดก็ต้องทำใจแล้วถ้าไม่อยากจะให้มันมีมากก็อย่าไปทำเพิ่มพยายามลดพยายามละไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่กล้าทำบาปคคำถามจาก YouTube ดกรวีค่ะกลับเรียนถามว่าอาการของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรเจ้าคะอันนี้ก็ต้องไปปฏิบัติเอา เล่าให้ฟังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะั้น <Yeah. S 1> ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันจะนิ่งจะไม่มีการเคลื่อนไหว <Yeah. S 1> จะนิ่งสงบสัตว์ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาแต่ถ้าอุปจาระนี้มันมันไม่นิ่ง <Yeah. S 1> มันสงบแล้วมันก็จะเริ่มออกไปท่องเที่ยวในโลกทิศ <Yeah. S 1> ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปพบกับเบลพบกับผีพบกับเทพพบกับอะไร yeah. นี่คืออาการของอุปจารสมาธคิคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะพันศานี้กระผมตั้งใจจะรักษาศีลแปดตลอดพันศาและปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าและหลวงปู่ครูบาอาจารย์แบบยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลรักษาธรรมครับศีลแปดสุบุรีได้ไหมครับผิดศีลไหมครับไม่ผิดแต่ก็ไม่ควรเพราะมันเป็นเหมือนกับยาเสพติดเนี่ย นั้นถ้าเราอยากมันเป็นรูปเสียงการเสด ร, รูปเสียงกิ่นเลยถ้าเราอยากที่จะ อ, อยากจะละการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกิ่นแล้วก็ไม่ควรจะสืบบรตด้วยค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์กิเลส ก, กับความอยากคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับใช่ความอยากก็คือตัณหากิเลส ก, ก็คือความโลภ คำถามจากทางยูคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะหากวันนี้ลางานม า, มาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้วางแผนทำงานและลาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเพื่อการมาปฏิบัติธรรมแต่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดของคนที่ทำงานแต่เราโดนตามงานโดนติเตียนจากการทำงานเราควรปฏิบัติต่อคนตามงานเราอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ปล่อยวางไงเราห้ามเขาไม่ได้ที่ว่าก็เป็นเหมือนนกก็แล้วกันนกมันจะร้องมันก็ห้ามมันไม่ได้หมามันจะเห่าก็ห้ามมันไม่ได้ลองให้ว่าเป็นนกเป็นหมาไปก็แล้วกันกับเรียนคำถามจากทางยูทูบค่ะ การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทุกวันนี้นั่งสมาธิแทบทุกวันมีความอยากนั่งสมาธิบ่อยๆและอยากพ้นทุกถือว่าเป็นกิเลสไหมคะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะเป็นธรรมเป็นธรมนธรมการอยากหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นธรรมเป็นมรรคเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์การอยากทำบุญการอยากรักษาศีลการอยากภาวนาการอยากฟังเทศน์ฟังธรรม การอยากจะไปปีกขึ้นเว้อยู่คนเดียวอันนี้นะเรียกว่าทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีก็คือความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นสอสออยากเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นยังไงทุกกันนะทุกกันกัดกันไปกัดกันมา <laughs> คําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การปฏิบัติอย่างมืออาชีพคนนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมทั้งคืนควรมีเวลานอนกี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงคุณเจ้าเล่าย้อนพระให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจากหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มจากสี่ทุ่มก็ให้พักถึงตีสองแล้วพอตื่นตีสองขึ้นมาก็ให้ลุกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงเช้าหกโมงเพื่อออกบินทบาทต่อไป ถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะเมื่อนั่งสมาธิจนเกิดความสงบ ป, ปัญญาจะดำเนินเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเราต้องคิดตัพิจารณาเองคะออปัญญาไม่เกิดจากสมาธิหรอก ส, ส, สิ่งที่เกิดจากสมาธิก็คืออุเบกขาความนิ่งเฉยเวลาทำสมาธิเราอย่าไปเจริญปัญญาเราต้องการเจริญอุเบกขาในเวลานั่งสมาธิจิตสงบปล่อยให้มันสงบไปนา น, าน อย่าดึงมันออกมาพิจารณาธรรมจะใช้พิจารณาธรรมรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาจิตถอนออกจากสมาธิแล้วอยากจะพิจารณาตายรักษอันใดเกี่ยวกับร่างกายก็พิจารณาไปเกี่ยวกับลาบยศรรเสริญสุขก็พิจารณาไปแต่ต้องทําตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิการทําสมาธินี้เพื่อสร้างพลังคืออุเบกขาไม่ใช่ว่าพอจิตสงบปั๊บก็เริ่มพิจารณาอุเบกขาก็เลยหายไปหมดนะ เวลาทำสมาธินี้เราไม่คิดเราไม่เจริญปัญญาเราเจริญปัญญาหลังจากที่เราได้ออกจากสมาธิมาแล้วมาเดินจงกรมเราก็พิจารณาร่างกายได้พิจารณาลาบยศสรรเสริญสุขได้พิจารณาอะไรได้หมดทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดพิจารณาอริยสัจสี่ทุกใจตกวจากความอยากในรูปแบบต่างๆคําถามจาก youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ พรุ่งนี้จะไปปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกค่ะพระอาจารย์วางใจอย่างไรขอคําแนะนำค่ะสาธุให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในที่ที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอย่าใจไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่นั่นที่นี่พยายามใช้สติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันใช้พุโทโธพุธโทโธหรือใช้การเข้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรก็เฝ้ามันตลอดเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็เฝ้ามันไปอย่าไปที่ใช้ร่างกายเป็นเหมือนนักโทษเราเป็นผู้คุมนักโทษเราต้องไม่ให้นักโทษพลาดจากสายตาเราไปเพราะถ้านักโทษพลาดจากสายตาปั๊บเดี๋ยวมันหนีไปหายไปได้ถ้าเราไม่อยู่กับร่างกายเดี๋ยวใจมันหนีไปเที่ยวได้นีปัญญาดีนี้ไปอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ แต่ถ้าอยู่กับร่างกายอยู่กับปัจจุบันใจจะว่างใจจะเย็นแล้วเวลานั่งสมาธิจะนั่งง่ายไม่รู้สึกอึดอัดไม่ฟุง้งซ่านจะสงบง่ายและสงบเร็วคำถามจาก y o u t u ด็อกเตอร์ค่ะนั่งสมาธิหลับตาพุตโธแล้วฟุ้งตลอดเปลี่ยนมานั่งสมาธิหลับตาฟังธรรมพระอาจารย์ไปเรื่อ ย, อยได้ไหมคะได้ถ้าเบื้องต้นเรายังไม่สามารถภาวนา พูดโทรหรือดูลมหายใจเข้าออกได้ก็อาศัยการสังเทศฟังธรรมไปก่อนนั่งฟังไปชั่วโมงหนึ่งใจมันก็จะเย็นสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความคิดก็จะน้อยลงแล้วหลังจากเราฟังธรรมเสร็จเราก็ไม่ควรจะเลิกควรจะนั่งสมาธิต่ตอเพราะกําลังเข้าเข้าได้เข้าเข็นถ้านั่งสมาธิต่ตอจิตก็ จ, จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้ คำถามจากทางย o u t u ด e ดอร์วีค่ะการแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำตอนไหนอย่างไรก่อนหรือนั่งสมาธิคะตอนที่เจอกันตอนที่อยู่คนเดียวไม่ต้องแผ่ไม่มีใครรับความเมตตาของเราต้องมีผู้รับเหมือนจะให้ของเนี่ยให้ของใครแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็ตั้งไว้แล้วบอกฉันให้เธอแล้วนะมันไม่ได้หรอกต้องรองให้เจอกันเวลาพบปะ ก, กันก็ทักทายกัน ถามสารกทุกสุขดีเยิ้มเยีมแจ่มใสมีการให้ความเมตตาไม่ใช่เวลาเจอกันก็น่าเบื้อตึงแยกเคี้ยวใส่กันอันนี้ไม่ใช่ความเมตตาหรือเวลาที่มีปัญหาต่อกันก็ให้อภัยกั น, นเวลาทําอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเราถ้าอยากจะให้เขามีความสุขก็มีขนมมีอะไรมาแจากมาจ่ายก็แจกกันไปอันนี้แหละคือการแผ่เมตตา ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการส่วนเป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสมาธิหรือเป็นการซ้อมสอนใจว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไรนั่นเอาเวลาโหนตุไม่จองเวรกันอัปยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันอนีฆาโหนตุไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจกัน บุคียาตานังปาลิหะลันตุให้เขามีความสุขมอบความสุขให้กับเขา mm hmm. อันนี้เป็นการฝึกซ้อมเป็นการทดสอเป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตา mm hmm. แต่เวลาแผ่จริงๆต้องเวลาเจอกันเวลาเกิดทะเลาะกันขึ้นมานี้ต้องต้องรีบให้อภัยเขารีบหยุดทันที mm hmm. ยอมหยุดเย็น mm hmm. ไม่เอาเรื่องเอาราวกัน mm hmm. คำถามจากทางเฟซบุก ค, ค่ะ เราจะแยกแยะอาการของจิตที่ปล่อยวางโลกเพราะเกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมจากการภาวนาที่ก้าวหน้ากับการอาการปล่อยวางที่เกิดขึ้นเพราะโรคซึมเศร้าได้อย่างไรเจ้าคะระยะหลังจิตปล่อยวางโลกแบบรุนแรงมันรู้<จ>เพราะว่าปล่อยวางแบบธรรมะมันปล่อยด้วยความสุขปล่อยวางแบบทางโลกมันปล่อยวางด้วยความทุกข์มันไม่สุข มันซึมเศร้ามันจะไปสุขได้ไงค่ะคำถามจากข้างยุค t u b e บด็รค่ะภาวนาผ่านไปสองชั่วโมงจะเจอเวทนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอผ่านไปได้เจ้าค่ะเพราะครั้งที่สามเวทนารุนแรงมากทั้งปวดทั้งร้อนผ่านไปไม่ได้ ไม่ได้เลยเจ้าค่ะต้องขยับถึงนั่งต่อได้ควรทําอย่างไรจึงจะผ่านเวทนาได้คะก็เพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธมากขึ้นโดยการใช้วิธีพิจารณาว่าเวทนาที่ปรากฏนั้นเป็นเหมือนไฟที่กําลังเผาร่างกายแล้วก็กำหนดให้ไฟนั้นมันลุกท่วมร่างกายไปอยู่ร่างกายถูกไฟเผาไปทั้งท่วมหัวท่วมศีรษะ ท่วมทั้งตัวจนกระทั่งร่างกายสุดลงไปกลายเป็นขี้เท่าไปดังนั้นจิตก็จะนิ่งสงบรวมได้ก็ลองใช้ดูลองใช้การการเพ่งดูเพ่งอาการปวดว่ามันเป็นเหมือนไฟกาลังที่เผาร่างกายเหมือนตอนที่คนตายไปแล้วเขาก็เผาร่างกายกันร่างกายนี้เป็นเรือตายมันก็เหมือนกันมันมันก็ยังเป็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจเป็นผู้รู้เราก็ดูมันไป ซอมซ้มวิธีเผาศพเราไปในตัวเ่าไปร่างกายเราก็ต้องถูกเผาเราก็เผามันตอนนี้เลยเผาตอนที่มีทุกขเวทนาปรากฏขึ้นตามที่ร่างกายตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะตอนนี้แต่เวลาเลิกแล้วจะถามไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าจะไม่สะดวกเพราะจะต้องมีธารกิจอย่างอื่นต้องทํามีญาติโยมเข้ามาลามีญาติโยมเข้ามาขอถ่ายรูปไม่สะดวกเพราะว่าไม่มีไมโครโฟนเสียงเราก็ค่อยถ้าจะพูดให้ได้ยินก็ต้องตะเบงเสียงออกมามันก็เหนื่อยก็เลยไม่สะดวกก็เลยปลดโอกาสให้ถามในช่วงนี้ช่วงเดียว แต่ถ้าไม่ถามก็ไม่เสียหายอะไรแสดงว่าเรารู้แล้วถามก็ดีก็มีประโยชน์จะได้คลายความสงสัยให้หมดไปได้แต่ถ้าเราไม่มีความสงสัยอะไรก็ถือว่าดีอเอาไปปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้มากฟังฟังประมาณหนึ่งในสิบแล้วก็ปฏิบัติก้าในสิบ ม, มันต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องมีการฟังทำทีท่เป็นส่วนสําคัญ เพราะถ้าเราไม่มีธรรมะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจะให้เราปฏิบัติมากเท่าไหร่ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาั้นต้องมีการฟังธรรมอยู่เป็นระยะระยะวันละครั้งวันละครั้งท่านสมัยนี้เรามีวิธีการฟังธรรมได้ก็ฟังวันละครั้งวันละชั่วโมงเป็นการเหมือนกับเป็นการเติมน้ําให้กับต้นไม้ต้นไม้นี่เราต้องรดน้ําทุกวันมันจะได้สดชื่นเบิก บ, บาน การสัธรรมก็ทำให้จิตใจสดชื่นเบิมกมันทำให้จิตใจมีฉันทาวิริยะมีพลังที่อยากจะปฏิบัติต่อให้มากขึ้น<ม>ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรจะอ่านนี้เลยเชิญคำถามจากทางยูทูบดรวีค่ะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายวิธีเดินจงกรมเจ้าค่ะเดินจงกรมก็เหมือนนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุโทโธเวลาเดินล้วก็ใช้พุโทโธต่อเหมือนกัน เพียแต่เปลี่ยนท่าถ้านั่งมาเป็นท่าเดินนั้นเองถ้าเรานั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจเขาออ้าแล้วก็เปลี่ยนมาดูที่เท้าแทนดูการก้าวเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแทนที่จะดูลมหายใจเข้าออกเพราะลมมันละเอียดมันดูยากกว่าการดูเท้าเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้จดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เท้า ซ้ายขวาซ้ายขวาหรือถ้าอยากจะให้ละเอียดกว่านั้นก็ยกยกก้าววางยกก้าววางไปก็ได้หรือถ้าไม่ต้องให้มันละเอียดขนาดนั้นก็ให้ให้รู้ว่าตอนนี้กําลังก้าวเท้าอะไรซ้ายหรือขวาหรือเท่า น, นี้ก็พอได้หรือถ้าจะใช้คําบริกรรมพุทโธไปก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือไปด้วยกับการเดินดูเท้าไปด้วยก็ได้เดินเท้าซ้ายก็ว่าพุทโธเท้าวขวาก็ว่าพุทโธไป อันนี้แล้วแต่จะถนัดอันนี้คือการเดินจงกรมเดินไประยะประมาณทั้งยี่สิบยี่สิบห้าเก้าแล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็เดินต่อกลับมาใหม่เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆตาก็ไม่ควรจะมองไปทางซ้ายขวามองอยู่แต่ข้างหน้าไม่ใช่เดินเที่ยวไม่ใช่เดินชอปปิง้งเดินเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้วกายให้มันอยู่แต่เฉพาะที่การเดินของเราเท่านั้น แล้วถ้าเดินจนรู้สึกเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งสมาธิต่อสลับกันไปจะได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผลจะได้เจริญอย่างต่อเนื่องคำถามจากทาง Analysis u t ท YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะสติอยู่กับผู้รู้อารมณ์ใช่ไหมคะสติดึงให้ผู้รู้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้ก็ติผู้รู้มักจะล อ, อยไปกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามา ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เลยทําให้มันไม่นิ่งมันพอมีอารมณ์มันตามไปมันก็คิดถึงเรื่องต่างๆไปถ้าต้องการให้มันนิ่งไม่ให้มันคิดก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ทําให้เกิดความคิดเช่นพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วจิตอยู่ในถ้าคือกายนี้ใช่ไหมคะ จิตอยู่ในถ้าเมื่อหมายถึงว่าจิตที่ถอนออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถอนจากตาหูจมูกลิ้นกายกลับเข้าไปสู่สู่ที่ตั้งฐานของจิตเนี่ยคือความสงบคำถามจากทางยู u t ทูปด็อเตอร์วีค่ะใช้การดูจิตเกิดดับแทนการดูกายเพื่อรักษากายทิฏฐิได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าักยายทิฏฐิมันอยู่ที่ร่างกายไม่ได่อยู่ที่จิต คนลตัวกันสังโยชน์คนละตัวกันจะนดูจิตได้ต้องผ่านกายผ่านเวทนาไปก่อนถึงจะไปดูจิตได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะภาวนาต้องมีคำภาวนาหรือไม่พระอาจารย์ใช้พุทโธใช่ไหมครับ แล้วภาวนาพุโทโธต่อเนื่องหรือตามลมหายใจและหากไม่มีคำภาวนาและเอาจิตไปไว้ที่จุดอนาโอมแล้วดีหรือเสียมากกว่ากันครับและจิตตกภวังนี้นานไหมครับบางทีตกแป๊บตอนนั่งแต่นอนยังไม่หลับมันไปไกลเลยครับยานสีน่นี้ถึงด้วยเหตุใดบ้างครับโอ้เยอะแยะปหมดเลยหนูอ่านใหม่ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องครับ ต่อไปก็เดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ไม่ก็ไม่ไม่เห็นอยู่ดีของพวกนี้มันต้องเห็นด้วยการปฏิบัติพยายามฝึกสติจเจริญสมาธิใช้พุโทโธก็ได้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เวลานั่งก็ใช้พุโทโธดูลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วมันจะได้คำตอบเองนะของพวกนี้มันพูดไปเล่าให้ฟังก็เหมือนเล่าเรื่องที่คนตาบอดมองไม่เห็น บอกให้คนตาบอดลืมตาสิลืมตาแล้วก็จะเห็นทุกอย่างไม่ต้องมาเสียเวลาที่บายให้ฟังว่าเป็นยังไงค่ะคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะการส่งธรรมมาพระอาจารย์และพระอาจารย์ที่ปฏิบัติ ด, ดีให้คนอื่นตอนเช้าทุกวันเป็นธรรมทานถ้าเขาเฉยเฉยเราก็ควรจะให้ต่อไปใช่ไหมคะแต่ก็มีบางคนสาหุค่ะ ก็แล้วแต่ น, นี้ก็แล้วแต่เราจะพิจารณาว่าควรจะส่งต่อหรือไม่ยังไม่มีคำถามค่ะโอเคถ้าไม่มีก็รอไว้คราวหน้าก็แล้วกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด